วันนี้หลวงพ่อได้มาพบกับครูบาอาจารย์พระเถระสมภารจอวาดพูดอย่างนั้นที่ว่าไม่น่าจะผิดเพราะว่าท่านจบคุณท่านได้นัดให้พระสังฆาธิการในเกตปกครองของท่านได้มารวมกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมให้เป็นหมวดหมู่นะวันนี้หลวงพ่อได้มาพบมาเจอมาเห็นแล้วก็เป็นโครงการที่ดีสำหรับท่านจบคุณท่านด้ เ, เป็นแนวความคิดสำหรับอบรมพระลูกหลานพระสังฆคาธิการในเขตปกครองของท่านแล้วก็ หลวงพ่อขอแจ้งข่าวการกุศลอีกส่วนหนึ่งคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรที่องค์หลวงตาเป็นประธานในวันพุ่งนี้แหลจะเป็นวันเซ็นสัญญาหลวงพ่อพอเสร็จงานนี้แล้วก็พุ่งนี้เช้าฉันแข่งขันเสร็จแล้วก็คงจะไปอุดรคงจะเซ็นสัญญาที่โรงพยาบาลศูนย์นัดกันบ่ายสามโมง ผู้รับเหมาก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยและก็มีท่านผู้วาราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการมีคุณธนันชัยคุณธนันชัยคือท้เกคกุ้งหงเป็นคู่สัญญาที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสําหรับฝ่ายพระสงฆ์ในก็คงจะมีครูบาอาจารย์ทราบประท่านหลวงปู่วัดโพจะมานั่งเป็นประธานในการเซ็นสัญญาในคราวนี้ ตึกหลังนี้เป็นตึกสิบชั้นเฉพาะโครงสร้างอย่างเดียวที่จะเซ็นสัญญาวันพรุ่งนี้ร้อยแปดสิบสามล้านนะเฉพาะโครงสร้างนะยังไม่นับเตียงหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลตึกสิบชั้นหลังนี้ชั้นชั้นสิบชั้นเก้าชั้นแปดเป็นของพระสงฆ์และชั้นเจ็ดลงมาเนี่ยเป็นของพี่น้องประชาชน ว่าผู้ใดเจ็บไค้ได้ป่วยกันนะ่ะก็ไปพักรักษาเหมือนกับโรงพยาบาลทั่ทวไปแต่ชั้นแปดชั้นเก้าชั้นสิบเป็นของพระสงฆ์พระสงฆ์ป่วยกันไว้สามสามชั้นวันนั้นขอแจ้งข่าวครูบาอาจารย์ที่นั่งทั้งหมดนี่แหละคณะสงฆ์ลูปสิ์ทุกหา ของหลวงตาก็ได้จัดเป็นผ้าป่าขึ้นมาผ้าป่า 84,000 กองกองละ 2,000 บาทวัดไหนจัดทายาติโยมผู้ใดจะร่วมสมทบจะสร้างตึกสงฆ์อาพาธเป็นบุญเป็นกุศลนะหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นตึกสงฆ์ครูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยก็จะได้เข้ามา รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะว่าตึกสงไม่ค่อยมีมีแต่สีนักครินที่หลวงพ่อไปสร้างเอาไว้เมื่อสองปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นตึกสงเหมือนกันนะอันนี้ก็ขอแก้งข่าวอีกเหมือนกันนะขอประกาศให้ครูบายจย์ที่ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือลูกน้องลูกติด ท, ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนไม่ได้รับความสะดวกสบายข อ, อนิมวลหน้าศรีนครินตึกศรีนครินผมเองเนี่ยเป็นประธานในการหาทุนนะครับแล้วก็สร้างตึกสงอาพาชั้นนี้ชั้นสิบว่างั้นเอคือตึกหลังนี้เขาเรียกว่า ตึกสมเด็จยาทั้งหมดมีอยู่19ชั้นแต่ชั้น10เนี่ยทั้งชั้นเนื้อที่ทั้งหมด 1,750 ตารางเมตรแต่ก็มีห้อง V.I.P มีห้องพระมีห้องรวมมีทั้งหมดมีอยู่38เตียงต่อมาเขาลดลงอีกสองเพราะว่าเอาไปเอาไปสำหรับให้พระสงฆ์เป็นห้องพักของห้องพักของพระสงฆ์ ที่ไปเฝ้าไข้เขาเลยลดลงเป็นสามสิบหกเตียงเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ที่เข้าไปผมไปเห็นแล้วก็เออหน้าภาคภูมิใจท่อครูบาอาจารย์ตลอดแหมู่พวกเพื่อนทั้งพระน้อยพระหนุม่มที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกตลอดบางทีสามสิบยี่สบเจ็ดยี่สิบแดไม่เคยขาดว่างั้นะ ผมก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าว่าหลวงพ่อเองไปสร้างห้างสรรพสินค้าเลยวะห้างขายของนะหลวงพ่อคงรวยเละว่างั้นแต่คงจะรวยเพราะเหตุไรพ่อผู้มาใช้บริการนี่มากแล้วก็ผู้มาใช้บริการหลวงพ่อเองกระผมเองก็ได้บอกทั้งหมอทั้งพยาบาลบอกว่าพระป่าพระกรรมฐานถ้าว่าจะฉีดยุกฉีดยา ขอให้เป็นบุรุษพยาบาลดูแลรักษาพระสงฆ์เด้ออย่าไปเอาพยาบาลผู้หญิงมาฉีดยาพระเพราะว่าเกี่ยวกับวินยัย บ, บางองค์ท่านก็แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นปู่บาอาจารย์เผู้มากท่านจะแข่งทางวินยัยท่านจะไม่ท่านจะไม่ยอมฉีดยาถ้าเป็นผู้หญิงมาฉีดแล้วเพราะนั้นขอให้ทางโรงพยาบาลช่วยคิดจากนั้นเขา้าไปจัดบุรุษพยาบาล เกือบทั้งชั้นเลยเพราะนั้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ไหนไม่สบายเก็บไข้ได้ป่วยก็ขอนิ่มอนเดอร์ขอนีมน อ, อ น, มนเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นของอุดรขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งจังหวัดอุดรแต่ทางขอนแก่น ก็มีทางร้อยเอ็ดมหาสรธคามกาละสินมุกดาหารเนี่ยแหละชัยภูมิเป็นบางส่วนและจังหวัดเลยเป็นบางส่วนมาใช้ตึกสงอาพาทที่เข้ามาที่ ท, ทพ่อทําถามดูนะแล้วก็มีทางอุดรลงมาบาั่งแต่ต่อไปนี้ทางอุดรขึ้นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็คงจะอุดร น, น้องคาย นครพนมสนกลนครแล้วก็จังหวัดเลยบางส่วนน้องบรัมภูหกจังหวัดที่จะใช้ตึกหลังนี้เหมือนกันตึกสงฆ์อารหลังนี้รงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะนั้นขอแจ้งข่าวครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านอันนี้ก็คือจะต้องจะสร้างละจะลงมือแน่ละเพราะวางที่ลเลิกแล้วแล้วก็วันทุ่งนี้แหละตอนบ่าย จะเซ็นสัญญาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่ไม่นานนะบา ง, บางท่านอาจจวาโอคงจะนานอย่บ้างท่านจะสร้างนี่คงจะเป็นหลายปีไม่นานนะทางผู้รับเหมาก็บอกว่าถ้าหากว่าได้ทำจริงจังนะไม่เกิน2เดือนถ้าไม่มีอุปสรรคอะไร แต่ทางท่านผู้ว่าบอกว่าจะให้สิบแปดเดือนจะให้สิบแปดเดือนอาคารหลังนี้สิบชั้นหลังนี้แต่ผู้รับเหมาบริษัทอิตาเลียนไทยเขาบอกว่าไม่น่าจะเกินสิบสองเดือนเพราะนั้นผู้ที่จะร่วมสมทบก็ให้ ร, รีบๆไปเพ้างั้นถ้าน จ, จ, จะจะจะได้บุญกับตึกหลังนี้เนี่ยเพราะตึกหลังนี้มันเป็นตึกพระสงฆ์ด้วยตึกของคารวานด้วยในพบาลี ในพระบาลีท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติที่จุคให้นะ mm hmm. พระภิจุคให้ผู้ทรงศีลผู้มีศีลเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าพวกเราได้เข้าไปรักษาหรือได้ได้ผลิบัติ mm hmm. เป็นบุญเกุศลอันยิ่งใหญ่อันนี้พอหลวงพ่อว่าพวกเราได้สร้างตึกหลังนี้ขึ้นมากับเป็นกัเพื่อดูแลพระสงฆ์นั่นแหละ เพื่อให้พระสงหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็บเหมือนปฏิบัติพระที่สุไหนั่นแหะนะเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อว่าถ้าเป็นเนื้อนานคงเป็นเนื้อนาที่ดีนะเนื้อนาที่ดีทีเดียวเหมือนกับเมื่อหวานพืชลงไปหวานข้าวลงไปแล้วไม่ท่วมไม่แรงวพราะงั้นกะดินดีเพราะงั้นดอกผลรวงก็คงจะใหญ่ขึ้นมางอกงอกงามเพราะเหตุไรเพราะบันสมบูรณ์ อันนี้ก็เหมือนกันเนื้อนานี่โรงพยาบาลแห่งนี้หลงพอ่อติดเนื้อนาที่ดีพวกเราไม่ควรจะพลาดโอกาสควรจะหว่านพืชมากหรือน้อยก็ควรจะหว่านพืชสร้างโรงพยาบาลหลังนี้แต่สําหรับลุงตายเองท่านก็อายุถึง96ปีแล้วท่านจะอยู่นานจะเท่าไหร่ท่าน เ, นเป็นเถียงว่าเป็นร่มโพร่มไสให้แก่พวกเราท่านเป็นประธานในการก่อสร้าง เพรนั้นพวกเราช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคิดว่าไม่น่าหนักหนาแต่หลวพ่อทราบมาแล้วว่าขนาดยังไม่ได้วางยังวัดเด้กเซ็นสัญญานี่นะก็ทราบว่าได้มา 10, สิบแปดจุดกว่าล้านแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนี่ก็คงจะกว่าไ ป, ไปมากละมั้พอ ม, มีคนถวายเข้ามาเรื่อยๆรืยๆวันนั้นทราบวัดเด็กแปดจุดสี่ล้านนะ เมื่อสามสี่วันสีห้าวันให้หลังหนละังจากนั้นตระงหลวงพอ่อมาได้ติดตามทางวิทยุขององค์หลวงตานี่แหละก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมให้ความสนใจฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้ความสนใจอยู่ในการทำบุญในครั้งนี้นะวันนี้หลวงพ่อได้มาท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทศสารเมทีเจ้าคณะจังหวัดกาสินธรรมยุทธ ที่ท่านได้นั่งพูดคุยกับหลวงพ่อท่านได้อภรั์ น, นาหลวงพ่อมาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ท่านมีจดหมายไปอย่างนี้นะท่านออวรวุฒยคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดกาฬสินได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระสังฆาธิการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนนำไปเผยแผ่ให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองโดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมครั้งที่ห้ากำหนดอบรมระหว่างวันที่สิบหถึงยี่สิบกุมภาพันธ์สอง2ันห้าอห้าสิบสองณวัดบ้านคำใหญ่บ้านคำใหญ่ตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเมฆ จังหวัดกาฬสินเะนี่ยที่มีโครงการนะนี้เกิดขึ้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ะเดมาเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการดนะีมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหนะลวงพ่ออยู่ไกลจากนี้ไป็อหลา ย, ลายร้อยกิโลเหมือนกันกว่าจะมาถึงได้ก็ต้องใช้เวลานมนาน ตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าเรื่องแล้วเป็นแสดงธรรมให้แก่ครูบาอาจารย์เป็นการแนะแนวสำหรับครูบาอาจารย์แต่ผมเองก็ผมก็ไม่ใช่เป็นประมาจา์อะไรมากมายเทียงแต่ว่าเหมือนกับพวกเราทัางทั้งหลายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีความคิดเห็นอย่างไรก็จะแสดงความคิดเห็นในกลุ่มในหมู่ในคณะเพื่อเป็นการศึกษาที่ได้สองน้องได้หนึ่งลักษณะอย่างนั้นหละเพราะฉะนั้นในวันนี้กับผมเองก็ได้มาพบมาเจอพระสังฆาธิการตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่นั่งอยู่ในต่อหน้าของหลวงพ่อนี่แหละขอให้ฟังตั้งใจฟังหน้า แล้วก็ในขณะที่หลวงพ่อพูดเราขอกร้องอย่าถ่ายลูกนะถ้าถ่ายก็ถ่ายในขณะนี้ถ้าไม่ถ้าหลวงพ่อกําลังพูดก็ขอให้หยุดการถ่ายลูกที่มีแฝดไปก่อนเพราะว่าเวลาถ่ายลูกออาไปแล้ว <H it> หลวงพ่อมันปเปรได้นะพูดไม่พูดไม่ไปเลยแล้วนั่นแนหะเพราะหลวงพ่อเป็นพระป่าธรรมะของหลวงพ่อเป็นธรรมะป่าที่ได้มาถิ่นได้นําธรรมะมาพูด มาเล่าให้แกศรัทธายาโยมหมู่พกเพื่อนพระสงฆ์ฟังนี่ก็ได้มาแบบสงบแบบเงียบเงียบงับง้นเถะแบบไต่ตรองคนคิดสะก่อนจึงออกมาเพราะนั้นถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนแล้วมีอะไรมาแปลกปลอมเข้ามาหลวงพ่อจะพูดไม่ได้เลยไปเลยว่างั้ตนตถอะต่อไปตั้งใจฟังก่อนที่จะฟังหลวงพ่อก็ขอ น, นอบนอบ้อม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 สังคัสสามกิต ต, ติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มาพบพระสังฆาธิการตลอดถึงจัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อได้ยินว่าพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสหรือฝ่ายปกครอง ตามระดับท่านตั้งแต่ท่านเจ้าคุณที่เป็นประธานสงฆ์คือเจ้าคณะจังหวัดคือเจ้าคุณเทพสารเมธีที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของโครงการจากนั้นก็คงจะมีเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตําบลแล้วก็เจ้าอาวาสตามลําดับจากนั้นก็มีพี่น้องประชาชน อุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่ในต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยให้การสนับสนุนเพราะหากพวกเราพุทธบริษัทสภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่ไปด้วยกันไม่สนับสนุนแล้วจะประสบความสําเร็จยากเพราะนั้นโครงการไหนก็ตามก็ต้องมีอุบาสกอุบาสิกาให้การสนับสนุน โครงการนั้นจริงจะไปได้สวยหรไปได้ตอดลอดรอดฝั่งงานนี้ก็เหมือนกันที่ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณที่ท่านได้จัดอบรมพระสังฆาธิการเป็นรุ่นที่ห้าแล้วเป็นครั้งที่ห้าตามอำเภอต่างๆคือท่านย้ายไปเรื่อยสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเห็นด้วยเห็นด้วยยังไงเพราะว่าการอบรมหัวหน้าน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่ามนโนภูพังคมาธรรมามนโนเศรถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจหัวหน้านี่จะต้องได้รับการอบรมต้องทาความเข้าใจถ้าว่าหัวหน้าเข้าใจไปคนละทิศละทาง หัวหน้านั้นก็จะมีหาความสงบปล่มเย็นผาสุขไม่ได้เหมือนกับหัวรถไฟอย่างนั้นอ่ะแตถ้ามันวิ่งไปถ้าหัวมันลงข้างถนนบริวารมันก็ไปตามมันด้วยในธรรมบทท่านยังพูดว่าถ้าวัวที่เป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงถ้าจะว่ายน้ำ หัวหน้าฝูงหัวหน้าจ่าฝูงจะต้องฉลาดว่าจะว่ายน้ำเป็นยังไงจึงจะทำให้บริวารของตัวเองไปข้ามฝั่งไปได้แต่ถ้าว่าหัวหน้าจ่าฝูงข้ามน้ำในตรงที่มันเชี่ยวน้ำที่พัดไหลแรงก็ททำให้หมูที่ตามไปด้วยเสียหายไปด้วยเหมือนกันแหทวยนั้นเรื่องหัวหน้านี่จะมองข้ามไม่ได้ หัวหน้าจะต้องได้รับการอบรมอย่างครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมคณะสิทธิอนุสิตท่านก็บอกว่าท่านลูกศิษย์ลุกหาไม่ใช่ว่าอยู่อยู่กับท่านตลอดไปอีกต่อไปภายภาคหน้าเมื่อมีอายุพรรษาขึ้นมาก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเป็นเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นท่านจะสอนแบบเข้งมงวดขวดขันถ้าพวกเราพิจารณาดูแล้วอย่างองหลวงกู่มั่น หลวงพ่อยังเทิดทูนบูชาในวนึกชมในใจพ่อเหตายพ่อหลวงปู่มั่นท่านฝึกแต่พระสมัยสมัยยุคของท่านท่านฝึกแต่แต่พระท่านไม่ได้สนใจเรื่องญาติโยมเท่าไหร่เพราะมันมีเวลาน้อยท่านจะอบรมแต่พระอย่างเดียวอย่างอยู่ในบ้านนอกอย่างนี้อย่างอยู่ในที่สถานที่ต่างๆ พระยี่สิบสามสิบองค์อยู่กับท่านแต่ละท่านแต่ละองค์ท่านติวเข้มเลยท่านดุดาว่ากล่าวอย่างเขมงวดปวดขันพระที่เข้าไปศึกษากับท่านต่างองค์ก็ต่างเคารพต่างกลัวท่านนะท่านก็ใช้หลักธรรมพินในแบบเด็ดเดี่ยวอบรมพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพราะนั้นเวลาออกจากท่านมาแล้วอย่างครูบาอาจารย์ที่พวก เราได้ยินกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังมายุค ข, ของพวกเราถ้าจะพูดถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็ต้องพนมมือขึ้นศีรษะเจ้าก่อนก่อนจะพูดถึงหลวงปู่มัน่นหรือแนวทางของหลวงปู่มั่นที่แนะนําสั่งสอนปนมมือขึ้นบนศีรษะเจ้าก่อนนะปะกาบบอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน่นท่านสอนอย่างนี้ท่านพาทำอย่างนี้ท่านแนะนําอย่างนี้แสดงว่า ครูบายการรุ่นปู่รุ่นทวดของเราเนี่ยนับถืององค์หลวงปู่มั่นสุดจิตสุดใจจริงๆโด้วยความรับเคารพจริงๆสุดใจเพราะงั้นคือแนวทางของหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านหลวงปู่มั่นท่านก็สอนพระอย่าจงจริงจังศรัทธาญาติโดยมไม่ค่อยมากพอหลวงปู่มั่นบรรณาภาพปี2492 ครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างกระ จ, กาจายไปอยู่คนละภาคคนละวัดค น, วคนละจังหวัดกันก็เงียบไปช่วงระยะหนึ่งพอต่อมาที่นี่พอองค์หนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมีหลวงพ่อรีวัดอโศการามเนี่ยดังก่อนเพื่อ น, น, นต่อมาก็หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่คงมา ต่อมาครูบายอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูหาดังระเบิดเถิดเถิงทั่วประเทศเลยท่านเพราะเหตุไดท่านอบรมหัวหน้าก่อนในผู้ที่จะเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านเอาติงเข้มเลยในสรุปแล้วในเพราะนั้นที่ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องเป็นผู้มีกฎมีเกณฑ์ต้องเป็นผู้มองไกลต้องมีทิสัยทัศน์การเป็นอยู่เนี่ยว่าเราอยู่อย่างนี้เพื่ออะไร และ ก, การแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องจากนั้นก็ให้เพ่งครัดในหลักพระธรรมวินัยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักและก็ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ท่านพ่อแม่ปู่ปายการแนะนำสั่งสอนอย่างที่หลวงพ่ออย่างองค์หลวงตาหลวงปู่ล่าอย่างนี้เป็นต้นที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษากับท่าน ท่านบอกว่านี่นะเราเป็นหัวหน้าเราต่อไปเราจะเป็นเป็นพระที่เป็นผู้นำในชุมชนและสังคมต้องทำอะไรต้องทำตั้งอกด้วยความตั้งอกตั้งใจการอยู่การฉันการหลับการนอนการเดินการไปการมาทุกอย่างอย่าไปทำต้องให้มีสมณะสารูปในการเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ ท่านบอกว่าเวลาเข้าในาศาสนพิธีอย่างเนี้ยเข้าไปในาศาสนพิธีจะมีการสวดมนต์และจะมีพระสงฆ์สวดมนต์มากๆเนียเราเห็นแล้วเนี่ยเห็นพระสงฆ์บางองค์พอนั่งปนมือได้สายศีลคล้องมือแล้วก็มือตกอยู่ในหัวเขา่าทันวานะมือตกอยู่ในหัวเขา่าไม่ได้ยกมือขึ้นในระหว่าง อ, อก มันดูแล้วมันเป็นยังไงเหมือนกับการทําอะไรทําไม่ตั้งใจเนี่ถ้าเขาทายภาพออกมาดูแล้วก็ไม่น่าดูแต่พี่น้องประชาชนพวกคนทั้งหลายหมูพวกเพื่อนทั้งหลายเห็นก็ไม่น่าดูเพราะนั้นเวลาจะปะนมือก็ให้ปนมือด้วยความตั้งใจไม่ใช่เราทําเล่นๆ เ, เราไม่ได้ทําแบบเออ เพียงจะผ่านไปเฉยๆเราต้องทําด้วยความตั้งใจเวลาปนมมือล้มให้ปนมมือในระหว่างอกแล้วปนมมือด้วยความตั้งใจอมนมมือให้เป็นกระพุ่มให้สวยงามอีกไม่ใช่เอามือประสานกันบางองค์เรเวลาสวดมนต์ไปแล้วเอามือประสานกันนิ้วไปชี้ไปคนละทิศทางลักษณะอย่างนั้นอันนี้ดูๆแล้วก็ไม่สวยงามอันนี้ก็ขอเตือนให้แก่หมู่พวกเพื่อน พระสังฆาธิการที่นั่งอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็คือผมเองผมก็เห็นด้วยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากน่านท่านก็นพูดอีกว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองหลวงตานะเวลาฉันอาหารเวลาฉันอาหารโดยมากสมพานในนาแตอย่างนัาา้นนะฉันผมน่านพอฉันอาหารเข้าไปแล้วพออาหารเตะลิ้นเท่านั้นเองผ้าหลุดลุ่ยไปหมดทำอว่างนั้นนะ ดูแล้วมันไม่น่าดูนะเพราะนั้นเวลาจัดฉันอาหารต้องครองผ้าแห่เรียบร้อยเพราะเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมดูแล้วให้ให้มันน่าดูถ้าว่าฉันแล้วผ้าเรื้อยหน้าเรื้อหลังดูแล้วมันไม่น่าดูนะเพราะว่าเราอยู่ในต่อหน้าส า, สาธารณชนถ้าว่าต่อต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่สนใจ ต่อไปมันจะเคยเป็นนิสัยนะาเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วก็ไปชั้นในที่ไหนผ้าก็จะดุดลุ่ยไปหมดเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายดูนะอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านสอนจากนั้นท่านก็บอกว่ า, วาเวลาชั้นอาหารก็เหมือนกัน เ, เวลาเคี้ยวถั่วและเคี่ยวแตงอย่าให้มันดังให้ยามเคี้ยวให้อย่าให้มันดั ง, ายยามมดงไม่ให้มันดังจะทำยังไง เวลาเอาเข้าไปทีแรกต้องเคี้ยวกดช้าๆกดหนักๆต่อไปจะค่อยเคี้ยวมันจะไม่ดังแต่ถ้าพอเข้าไปแล้วเคี้ยวขัว้วควบลงเจะเสียงดังเห็นไหมขนาดเรานั่งอยู่ที่นี่องค์นั้นฉันอยู่นู่นน่ะมันห่างไกลขนาดไหนยังได้ยินเสียงเคี้ยวถั่วและเคี้ยวแตงเพรานั้นแสดงว่าหูกับปากตัวเองอยู่ใกล้กันไม่ได้ยินเคี้ยวขนาดปากอยู่ในติดหูแท้ๆยังไม่ได้ยิน เราอยู่ไกลขนาดที่เรายังได้ยินนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวเป็นเกล็ดแห่งมารยาทในการเป็นอยู่ของครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นขอบอกกล่าวสำหรับพระสังฆาธิการและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเวลาไปบินเท่า บ, บาทเสมอกันเวลาไปบินเท บ, บาทยืนเดินคุยกัน ว่าไม่เหมาะสมนะเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้ไปเดินขอทานเราไม่ใช่ไปขอทานเราจะไปเดินอย่างนั้นเดินก็ต้องมีสติในการเดินภาวนาไปด้วยในขณะที่เดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเวลาศัทธา ญ, ญาติโยมเขาเห็นเขาปน ม, มือข้างถนนเขาจะได้บุญเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าว่าพระเดินไปคุยกันไป ป น, นมญาติโยมที่นั่งอยู่ข้างทางเขาปนมมือดูที่มันงามมัดและอีกอย่างหนึง่งเวลาเดินบินทบาทอย่าไปสุบบุหรีอย่าไปเชียวหมากองหลวงตาเนี่ยถึงต้นท่านจะฉันหมากเป็นประจําเแต่พอท่านจะบินทบาตเนี่ยท่านจะไม่ฉันหมากนะผมมาอยู่กับท่านเป็นเวลาสิบกว่าปีท่านบอกเลยบอกว่าไม่ฉันหมากแต่พระองค์ใดก็ตามถ้าไปบิณทบาทสูบบุรี่ทุกไมได้ หลวงตาแข็งอะไรเหมือนกันแต่ท่านบอกมันดูแล้วไม่ไม่งามนะเวลาบินทบาทก็เหมือนกันพอเดินบินทบาทหลวงปู่ล่าบออย่าเอามื่อควายหลังเวลาเดินบินทบาทเอามือควายหลังไม่ดีคือการบินทบาตทคือไปทุกความเคารพเป็นจิตวัตรของพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้ า, าสอนให้มีการเคารพในการเดินอย่าเอามื่อควายหลังในการเดินบินทบาท สิ่งโมนี้เออเป็นเรื่องเก็เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าว่าเรานึกดูที่ว่าหลับตานึกดูที่ว่าที่หลวงพ่อพูดที่กระผมพูดออกไปเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงหลวงพ่อว่ามันถูกอย่างคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆนั่นแหละแน่ยเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่นนั้นลูกหลานทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นสมภารเจ้าอาวาสที่จะปกครองหมู่คณะ ก็ขอให้แต่คิดในสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะและวิธีการเดินจงกลมการเดินจงกลมของพระป่าครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นท่านสอนเรื่องหลวงปู่ล่าอย่างท่านสอนท่านบอกเวลาเดินจงกลมให้กําหนดเส้นทางถ้าเป็นไปได้ก็คือกําหนดทางทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกหรือว่าทิศเหนือทิศใต้เป็นทางเดินโยวกลมแต่อย่าให้ยาวนักประมาณสัก ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเก้าแล้ยี่สเ้าเป็นอย่างตำ่ำและยี่สิบห้าเก้าที่สาสิบเ้าเป็นอย่างยาวถ้าหาว่ายาวมากเกินไปก็ทำให้ปกมดปกแมลงมันผ่านได้ง่ายแต่ถ้าหาว่ามันสั้นเกินไปก็ทำให้เวียนศีสษะขนาดนี้ก็พอดีนะสั้นที่สุดก็ไม่น่าจะเกิน29่เหรือยี่สิบห้าเก้าพอบหม แต่ถ้าว่ายาวจริงๆประมาณ39จะพอหมอกอันนี้ก็คือท่านแนะนำแต่พิธีการเดินยังกลมพอเรากำหนดเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราเดินสำรวจดูเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวถ้าเห็นมดมันผ่านเราก็เอาเกิ่งไม้หรือเอากระดาษไปวางที่ทางมดเดินอย่าไปเหยียบมันไปวางไว้นั่นพอไปถึงแล้วก็ข้ามมา พอข้ามหลายครั้งต่อหลายหนเดี๋ยวกันหนีเองนะกันเออมันกลัวเราจะเหยียบมันอ่เนี่เราดูาวางเสร็จแล้วเราก็กลับมายืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งคือจุดที่สุดของทางเลยเียนยจงกลมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นเรายืนแล้วก็ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ จากนั้นเอามือลงเพอเอามือลงเอามือเอาไว้ในระหว่างท้องเอามือขวาทับมือซ้ายไว้ในระหว่างท้องท้องน้อยจากนั้นก่อนก้าวก้าวเดินก้าวแรกรอบแรกไม่สองสามรอบแรกให้แผ่เมตตาก่อนข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจิญญาณอื่นขอขอให้มีความสุข อย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุกบริกรรมสักสองสามรอบจากนั่นก่อนก้าวขาบริกรรมอกพุทธขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถคือเดินตามปกปติไม่ให้ช้าและก็ไม่ให้เร็ว อย่าเร็วเกินไปเหมือนกับเราเดินปกติเราเดินไปบินทบาทยังไงเราก็ทำอย่างนั้นะจะทำมันเดินเดินช้าเนี่ยทำให้เวียนศีรษะเพราะการเดินก็คือการเดินเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งนอนเพราะนั้นการเดินคือให้เดินตามปกติแต่ให้มีสติในการเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทธโธเวลาเราจะกลับเราก็ยืนและวก็หมุนกลับ พอกลับก็มีสติในการหมุนกลับพอกลับแล้วข า, ขาขวาพุทขาซ้ายโถอีกอย่างเก่าเวลาเดินจงกรมอย่าเอามือควาหลังถ้าเอามือควาหลังเหมือนกับท่านนักเลงเท่านั้นนะอย่าเอามือกอดอกถ้าเอามือกอดอกเนี่ยเหมือนกับเจ้าทุกข์อย่าเอามืออย่าไปไกวแขนถ้าไกวแขนถ้าไม่เคารพเพราะฉะนั้นท่าลาพึงหนึ่งคือเอามือวางไว้ในระหว่างอก นี่ละวิธีการเดินจงกรมเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกคุณทุกคนนะพวกเราท่านทั้งหลายวิธีเดินอย่างนี้แปลว่าถูกต้องตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาเดินจงกรมไม่ต้องอายใครนะไม่ต้องเก่กลางกลางว่างั้นบางคน เ, เดินจงกรมเดิเธอขาเดินกันอย่างไรนะ เ, เราอยากจะเดินยูแต่ไม่รู้จักวิธีนะ อ, อายผู้คนเขาเพราะนั้นไม่ต้องอายนะเดินอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละ แเอามือลงในระหว่างท้องแล้วก็ทำตาส้ำรวมลงไปเลยแตขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถไปเรื่อยเดินนานเท่าไหร่เนี่ยบางคนอาจจะถามแต่บางท่านบางครูบายจารบางอง์เดินตลอดทั้งคืนก็มีนะเดินตลอดทั้งคืนก็มีบางทวนก็สองสามชั่วโมง ส, สามสี่ชั่วโมงก็มีชั่วโมงหนึ่งก็มีชุดแท้แต่สามสิบนาทีก็มี พอเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะหยุดละทิ่นพอจะหยุดแล้วอยู่ในซ้วนสุดที่สุดของทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นเขาปนมมือไหว้ครูจะก่อนพุทโธธรโมโมสังโฆสามจบจากนั้นเขาอุทิศ ส, ส่วนกุศลเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินจงกรมในวันนี้พยายามทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตให้เป็นหนึ่ง ถึงจะสงบหรือไม่สงบยังไงก็ตามข้าพเจ้ามีความมุมั่นมีความตั้งใจในเรื่องจิตตภาวนาด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขอให้ในดวงวิญญาณของพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายวงสาคนาญาติญาติมิตรสหายผู้ใดที่จะมามีส่วนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเด้อเหมืมอนกับเราทําบุญทั่วๆไปเพราะการภาวนาทํากิตให้สงบในท่านวัก บุญกุศลมหาศาลนะบุญกุศลมากกว่าให้ทานร้อยครั้งร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์นะการักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้เดินยมโกรมนั่งสมาธิภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบครั้งหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วการภาวนานมีอนิสงฆ์มากกว่าให้ทานรักษาศีลเพราะว่า ภาวนาเพราะฉะนั้นแต่ภาวนาไม่ใช่ของง่ายๆนะโดยมากมันก็แปลกอีกเหมือนกันนะทางกาเราให้ทานอย่างนี้ทั้งที่เสียสละอของหามันด้วยความยากลําบากแต่พอให้ทานเนี่ยให้ทานได้เสียสละได้ง่ายแต่พอรักษาศีลเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเพียงแต่รักษากายวายจยาให้เรียบร้อยรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเริ่มจะเริ่มจะรักษ า, า ย, ยากละ่ะ ไม่ค่อยไปรักษากันแหละเออรักษาศินแปดรักษาสินห้าแต่พอนั่งสมาธิเท่านั้นแหะโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยคืเนี่ยทั้งที่จริงไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยจะเป็นบุญกุศลอีกต่างหากแต่นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะเอ อ, อยากอยากมากเหมือนกันใช่ไหมไปเลยเพราะเรื่องการภาวนาะเป็นเรื่องที่ ยุเยิ่ยากมากเพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์หรือจตหา ย, ยาโยมผู้ไม่เคยเดินยมกลมเชลเลยก็ให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้หลวงพ่ออยากจะเน้นหนักเรื่องหัวหน้าอีกเหมือนกันถ้าเม้าหัวหน้าทำนี้นะจะต้องได้รับการอบรมถ้าเม้าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าออกนอกลู่นอกทางอย่างราชการงานเมืองที่ไหนก็ตาม เจ้าของประเทศหรือเจ้าของโลกนะเดี๋ยวนี้เจ้าของโล ก, กคือใครคืออเมริกาแต่ก่อนมีสองขั้วที่ใหญ่คือรัสเซียแล อ, อมณอนิส์อเมริกาคือประชาธิปไตยถ้าว่าหัวหน้าโลกในยุคใดสมัยใดขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมโลกในยุคนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะใดเพราะหัวหน้าเห็นแก่ตัวพอมาถึงประเทศชาติของเราเหมือนกัน ขาวาประเทศชาตินายกรัฐมนตรีเป็นคนไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประเทศชาติของประเทศทนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็มาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ได้ขอรับส่งคอรับชันเบียดบางเบงียดเบียนผู้อื่นเขา จังหวัดนั้นก็อยู่ลําบากอีกเหมือนกันอําเภอถ้านายอําเภอที่เป็นหัวหน้าถ้ามาอยู่ในคุณธไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมเจริยธรรมอําเภอนั้นก็ลําบากอีกเหมือนกันและตําบลก็เหมือนกันผู้ใหญ่บ้านอีกเหมือนกันหัวหน้าวัดก็เหมือนกันหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าขาดคุณธรรมศีลธรรมเจริยธรรมแล้วเดือดร้อนเพราะหัวหน้าไม่ดีแล้วหัวหน้าคือใจของเราทีนี้ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ว่าหัวหน้าของเราเนี่ยไม่ได้รับไม่มีศุณธรรมไม่ได้รับการอบรมทางด้านธรรมะใจของเราออกนอกผูกนอกทางอยากจะทําอะไรทําตามอาเภอใจทําตามอัธยาใจอยากจะกินเหล้าเออเอออยากกินดืม่มสุรามอยากจะกินเหล้าอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะพ่นอยากจะโดอยากจะโกงอยากจะทําอะไรทําตามอําเภอใจคนที่อยู่ใกล้กันเดือดร้อน เป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วยกันทั้งหมดหัวหน้าไม่ดีเพราะนั้นหัวหน้าเนี่ยสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมเอาศีลธรรมเข้าสู่หัวหน้าถ้าหัวหน้าดีแล้วในชุมชนนั้นคนกลุ่มนั้นบุคคลคนนั้นก็จะเป็นคนดีสงบร่มเย็นเป็นทุกขไปทัสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของผู้ฝนทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องความพร้อมเพียง เรื่องหัวหน้าเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่งหลวงพ่อว่านะถ้าหัวหน้าไม่ดีเอารัดเอาเปียบผู้คนชนชุมชนในกลุ่มนั้นก็เดือดร้อนอุ่นวายแต่หัวหน้าเนี่ยป็นต้องเป็นผู้กล้าต้องเป็นผู้กล้าเสียสละเป็นผู้กล้าแสดงออกว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกเป็นผู้กล้าเป็นผู้พาหนนำใหัวหน้าเนี่ยเหยียบหนามก็เหยียบก่อนเพื่อน เหยียบที่หมาก็เหยียบก่อนเพื่อนที่เป็นหัวหน้าจึงจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ไม่ใช่ว่าหัวหน้าจะอยู่ตามหลังมีต่ให้ลูกให้ลูกน้องไปก่อนนั่นไม่ได้หัวหน้าในต้องเป็นผู้นำผู้นำชุมชนผู้นำวัดผู้นำกลุ่มว่างานแต่ที่พวกเราที่ท่านเจ้าคุณเียบพระสังฆาธิการมาเนี่ก็คือระดับหัวหน้าคือระดับเจ้าอาวาส ที่มาพร้อมเพียงกันหลวงพ่อว่านี่แหละคือจับกลุ่มมาด้วยกันถ้าว่าพวกเราลงมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาศึกษามาศึกษาใครผิดใครถูกตรงนั้นผิดตรงนี้ถูกมาทักไซไล่เลียงกันสวดปฏิโมกตเป็นยังไงสวดมนต์เป็นยังไงวนนัฐ ก, การเป็นอยู่เป็นยังไงพวกเราจะได้รู้ในการเป็นอยู่ของพวกเรา แต่ว่าพวกเราต่างคนต่างอยู่เออข่าเน่บอกข้าแน่แห่ข้าเนี่เก่งแห่ข้าเนี่เหนือกว่าใครแต่ตามไม่จริงพ อ, เ, อเข้ามาแักไซนเลียเรียงใส่กันแล้วมันก็ต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งเหมือนกันเพราะนั้นถ้าว่าพวกเรามาหันหน้าขู่หากันปรึกษาปารบกันแล้วก็เออองค์ที่หย่อนก็พยายามทําตึงขึ้นเอ่ยทำองค์ที่ตึงขึ้นแล้วก็ดีอยู่ในหลักพระธรรมพินยัย แต่คำว่าพวกเราทำได้อย่างนั้นพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองและก็เป็นแบบย่างเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนเพราะว่าพระเจ้าอววาดไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อว่านะเป็นผู้นำชุมชนแต่ถ้าว่าชุมชนใดก็ตามถ้าเจ้าอาวาดออกนอกลูก่นอกทางนะอย่างนี้กัชุมชนนั้นก็ รู้สึกว่าไหวๆได้ไง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องหัวหน้าเป็นสิ่งจําเป็นจะต้องได้รับการอบรมให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยแต่ถึงยังไงก็าตามเรื่องหลักพระธรรมวินัยนี่แหละเป็นหลักเป็นหลักจุดยืนของพระสงฆ์เพราะพระพธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีท่านบอกว่าธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นแล้วก็ท่านย้ำอีกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตาแทนเราตถาคตให้เข้าเป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า เพราะนั้นพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังพวกเราไม่ต้องที่ตกกังวลถ้าหลักพระธรรมวินัยยังมีอยู่ตราบใดพวกเรายึดหลักพระธรรมวินยัยปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยก็เหมือนเรากับอยู่กับพระศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราห่างเหินจากหลักพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหละพวกเราจะห่างเหินจากศีลธรรมจะหาความสงบ ร่มเย็นผาสุกไม่ได้เพราะนั้นหลักพระธรรมวินัยจุดนี้นะ่ยสิลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญาสรุปแล้วก็คือทางว่าพวกเราเป็นผู้มีสิลรักษาสินดีแล้วเวลาเร า, เราจะนั่งสมาธิจิตใจของเราจ ะ, จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้ว จะพิจารณาทางด้านปัญญาที่ปัจจนาก็ไปได้ง่ายเพราะนั้นเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเพศปริยัติคือการเข้าเรียนศึกษาเป็นบาดฐานของการปฏิบัติถ้าว่าพวกเราไม่ได้เร่าเรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดูแผนที่พวกเราจะเดินถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรมันไปไม่ได้ เพระนั้นเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเพศไปด้วยกันปริยัติคือการเล่าเรียนศึกษาแต่ถ้าว่าเล่าเรียนศึกษาแล้วเราไม่ปฏิบัติก็อยู่เพียงแค่นั้นเหมือนกับเราได้แผนที่พอได้แผนที่เมื่อกระดูชํานาญในแผนที่แต่เราไม่ได้เดินตามแผนที่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราเดินตามแผนที่การทํามาค้าขายตามแผนที่พวกเราก็จะได้รับ ทรัพสมบัติความร่ํารวยก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะนั้นเรื่องปริยัตเป็นบาตรฐานของปฏิบัติปฏิบัติเป็นบาตรฐานของปฏิเวทปฏิเวทธรรมคือความสําเร็จได้ต้องอาศัยการปฏิบัติศีลก็เหมือนกันศีลเป็นบาตรฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาตรฐานของปัญญาปัญญาเป็นบาตรฐานของความ หลุดพ้นถึงวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาทัตถะนได้ต้องอาศัยปัญญาเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสินถ้าว่าพวกเราพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้มีสินดำรงมั่นอยู่ในสินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเวลาจะนั่งสมาธิก็จิตใจก็ะจะเข้าสู่ความสงบได้เพราะเหตุไร พะเราไม่ได้วิตกกังวลว่าที่ผ่านานมาเราเป็นผู้มีสิทหรือไม่ได้ทำความเสียหายใดๆทั้งหมดจากนั้นพอนั่งสมาธิจิตใจของเราหนึ่งพอจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาจากความสงบนั้นจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นได้ชัดเจนเพราะจิตใจของเราผ่านสมาธิมาแล้วเพราะนั้น เรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านจะว่าไปแล้วเกี่ยวเนื่องกันเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นของเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาต้นศาสนาต้นพุทศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพวกเราศึกษาดูสิทาไมพระพุทธเจ้าจริง ได้ตัดสู้รมท่านตัดสู้ที่ตรงไหนท่านทำอย่างไรอย่างเนี้ยทําไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกไปบวชท่านทําไมท่านอยู่ในเวียงวงังทําไมท่านจึงหนีออกจากเวียงวงังท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขแต่บางคนก็บอกว่าสิทธถะเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบในครอบครัวไม่รับผิดชอบในทรัพย์สมบัติ ที่การเป็นอยู่แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าควรจะคิดใหม่ได้แล้วคนอย่างนั้นตามไม่จริงพระพระพุทธเจ้าท่านมาได้เห็นแก่บวชท่านเห็นอะไรในเมื่อท่านจะออกไปบวชท่านเห็นความแก่ท่านเห็นความเจ็บท่านเห็นความตายท่านเห็นอย่างลึกซึ้งในใจของท่านท่านก็พิจารณาไตรตรองเหตุได้พอดีกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่นคือพระบิดา ของท่านก็ยังสงระชนอยู่แต่มารดาเนี่ยท่านประสูตออกมาแล้วได้เจ็วันพระมารดาก็สวรรคตแต่ส่วนปู่ย่าตายายของท่านเออล้มหายตายจากไปมากต่อมากเออแล้วก็ตัวของท่านท่านก็คงจะเป็นอย่างปู่ย่าตายายของท่านอีกเหมือนกันไม่เป็นอย่างอืจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรที่จะไม่มาแก่เจ็บตาย ได้อันนี้ก็คือเป็นฉนวนแรกและเป็นคำคิดแรกของสิท ธ, ธัตถะจากนั้นพระองค์ก็ออกเสด็จไปสวนอุทยานก็จะไปเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายและก็เห็นส ม, มณะครั้งสุดท้ายเออส ม, มณะเนี่ยท่านนั่งอยู่ตามลาพัง น, นี่กำลังจะเป็นหนทางเพราะเราถ้าอยู่ในเวียงวังมีภาระธุระมาก มีหน้าที่การงานมากในธุรการกิจวุรอะไรมากมายที่อยู่ในเวียงวังจะต้องบริหารประเทศชาติบริหารบุคคลถ้าเราจะมานั่งคุ้นคิดคงไม่มีเวลาแต่ถ้าว่าทำอย่างสมณะองค์เนี่ยนั่งอยู่ที่โครนต้นไม้ตามลำพังคงจะเป็นแนวทางเย hey, จากนั้นพระองค์ก็เลยชวนนายฉันนะผีม้าขันตะกะ ออกจากเวียงวังหนีออกกลางคืนเลยเหมือนกันเถอไปถึงในน้นําอโนมานะทีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ทรงผนวดที่นั่นในเมื่อทรงผนวดแล้วพระ อ, องค์ก็ได้ปฏิบัติพระ อ, องค์อยู่ในละแวกนั้นสรุปแล้วก็คือลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดในการประพฤติปฏิบัติจากนั้นกเข้าไปศึกษาที่ว่าเป็นคณาจารย์ในถิ่นนั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างดาราดาบทอุตรกระดาบทเนี่ยพระองค์ก็เข้าไปพอเข้าไปกรออันนี้เป็นเพียงสมาสมาธิสมาบัติตนเองเป็นสมาธิตนเองทำจิตให้สงบทนเองไม่ใช่ผลทานจากนั้นพระองค์ก็ถอยออกมาอีกมาปฏิบัติทดลองด้วยพระองค์เองอดภัคยาหารถึงสี่สิบเก้าวันเทาว่าเกือบเร่านั้นเลยการ พระพุทธปฏิบัติของพระองค์รู้สึกว่ามากทีเดียวจากนั้นวันที่ได้ตัดรู้ทมปันเดือนหกเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันนั้นอันนี้จุดนี้ น, น, น่าศึกษานะน่าศึกษาเนเพราะนั้นบางทีคณาจารย์บางท่านบางคนพูดออกไปหลายเรื่องราวแต่เราก็ฟังเรามีหูเราต้องฟังแต่ให้ศึกษาในพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ในวันเดือน6กเพ็นนะั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรพระพุทธเจ้าท่านกับในพุทธประวัติท่านพูดได้ชัดเจนว่าวันนั้นวันเดือนหกเพ็นนายโสธิยะนํำยาพามาผ่านมาและก็มอบให้ท่าน8ปดกำมือจากนั้นสิทธัตถะท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านยังเป็นสิทธัตถะอยู่ยังเป็นโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ ท่านก็ได้ยาขาแปดกำมือมาวางมาเกลี่ยลงที่โผลนต้นโพจากนั้นท่านก็ขึ้นไปนั่งนั่งสมาธิพระอาทิตย์ยังไม่อัศจรรย์คือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะในขณะนั้นพระอาทิตย์ยังค้อยๆเหมือนจะตกดินนะเกือบจะตกดินนะแต่ยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่พระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนยาขาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละขอให้สัทตาญาณโยมทั้งหลายให้ฟังไว้นั่นเองคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติที่ท่านได้จัดได้จัดรู้ธรรมในวันนั้นท่านทำอย่างไรนี่แหละท่านทำอย่างที่กระผมหรือหลวงพ่อได้กล่าวนี่แหละจากนั้นพระ อ, องค์พอตอนหัวค่า จิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งคือจิตเข้าสู่สมาธินะเพราะจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็เกิดยาณทัศนะเกิดฌานเกิดยาณทัศนะพระองค์ก็น้อมยาณทัศนะระลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละให้พวกเรายึดแนวแถวที่พระพทุทธเจ้าบังคัปฏิบัติพระพุทธองค์ระลึกชาติบ้าชาติที่แล้ว เป็นอะไรเป็นมาอย่างไรแล้วระลึกชาติผลหลังไปอีกเหมือนกับระลึกเมื่อวานนี้ยระลึกวนกนกนกนันก่อนเออแล้วก็รลึกวันก่อนก่อนอาทิตย์ก่อนแล้วก็เดือนก่อนแล้วก็ปีก่อนหรือ ป, ปีหลังเออจนถึงวันที่เราเกิดมาแเรามาอย่างไงมาอยู่ที่นี่ฮิดเราเระลึกถึงชาติผลหลังสรุปแล้วในหลักของพุทธศานสนาเนี่ย พระพุทธเจ้ายืนยันไม่ใช่เหลยระลึกชาติผลหลังได้แปลว่าตายแล้วไม่สูญใช่ไหมถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรระลึกไม่ได้เพราะตายแล้วสูญมีเกิดมาชาติเดียวแล้ว ก, ก็จบนี่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนในสิ่งที่จะให้เกิดท่านมีเพราะนั้นพระพุทธองค์ทท่านจึงได้ตรัสรู้ธทมเบื้อง ตอนหัวคำ่ำปุบเพเนวาสานุจติยานนึกชาติผนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนปะตูปะปาทยานการบุติของสรรปสับมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์เขารู้อีกเน่เพราะว่าแล้วมาที่นี่มาจากไหนมาเกิดด้วยบาปกรรมด้วยบุญกุศลอะไรที่นำมาเกิดที่นี่แล้วออกจากที่นี่ไปเกิดที่นู่นไปเกิดนั้น ด้วยบุญกุศลด้วยบาปอภุชุอะไรจึงพาไปเกิดพระพุทธองค์ก็รู้อีกจุตูตตปะ ป, ะปะาตญาเนเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่เมื่อพวกเราได้มาพ บ, พบพระพุทธศาสนาได้มาสั่งสมบุญกุศลแล้วให้พยายามสั่งสมคุณงามความดีเมื่อสั่งสมคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลนั่นแหะจะนําจิตใจของพวกเราให้ไปเกิดในสถานที่ภพภูมิที่สูงขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเรา ไม่ได้สังสมบุญกุศลแล้วไม่มีบุญดวงวิญญาณไม่มีบุญแล้วพวกเราจะไม่มีไม่มีไม่มีมมสเสบียดเดินทางนะอันนี้ก็คือจูู่ปปากิจานพอจวนจะสวะ่างเพราะพทธเจ้ า, าได้ตดรรู้ธรรมอาสาวกัยญาญาญอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์บทจดจากษิเลศราคะโทสะโมหะใจของพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะ พระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วสิ่งที่จะํำพาให้เกิดนั้นเรากำจัดออกหมดแล้วคือเชื้อที่จะทำนำใจดรงนี้พาไปเกิดนั้นเรากำจัดออกแล้วพระองค์รู้ด้วยพระทยรัยด้วยใจของพระองค์งว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกแล้วเป็นอนันตการสิ่งที่ทาให้เกิดนั้นก็คือกิเลสราคะโทสะ ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ก็เหมือนกับมีเมล็ดข้าวนะมีเมล็ดข้าวอยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยพระพุทธองค์ได้กระเทาะเปลือกออกซะได้เข้าไปพกกระเทาะเปลือกมันออกกลายเป็นข้าวสารแล้วเอามานึ่งอีกทีนออข้าวสารมันสุกด้วยไฟแล้วเอกระเทาะเปลือกยังมาแล้วยังมานึ่งอีกข้าวสารเม็ดนั้นสุกแล้ว จะเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะอะไเพราะเชื้อที่จะทำให้เกิดมันหมดแล้วเชื้อเชื้อคือกิเลสราคาโทสะที่อยู่ในใจของพระองค์ถ้าว่ายังมีเชื้ออยู่เชื้อตอนนั้นน่ะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่บัดนี้รมพูดเด้าวแใช้ตประธรรมคือสีนสมาธิปัญญามักแต่นี่แหละกำจัดกิเลสกลางอยากกลางละเอียดออกจากภัยของพระองค์ ชนพไทยของพระองค์เป็นพรไทยด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเจวัานิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุใด จ, จะว่ามีความสุขเพราะว่าไม่มีกิเลสตัวไหนไปแผลพานไปรบควนใจของพระองค์ได้ใจของพระองค์เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงจว่ามีความสุขนิพพานังปรามังสูญอย่างสูญอะไรสูญเชื้อ ชื้อที่จะทําให้เกิดนั้นพระพระองค์ได้กําจัดแล้วกําจัดกิเลสรธาคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์แล้วใจของพระองค์หมดเชื้อแล้วที่จะทําให้เกิดในพบภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจังหวัดนิพพานังปรามังสุขังนิพพานังปรามังสูอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทีหลังก็แล้วสูญแล้วทําไมจึงสุขสุขแล้วทําไมจึงสูนญก็เลยมาเถียงกันอีกรอบเพราะฉะนั้นท่านว่าพวกเราปฏิบัติ ถึงที่ถึงทางถึงความบริสุทธิ์จุดพ้แล้วพวกเราจะไม่เถียงกันเนี่ยเหมือนกับพวกเราได้ทานมะม่วงด้วยกันอย่างนั้นพอที่ทานมะม่วงขึ้นมารสมะม่วงเป็นยังไงพวกเราจะไม่เถียงกันแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้ทานคนหนึ่งได้ทานคนหนึ่งไม่ได้ทานเนี่ยคนหนึ่งไม่เคยรู้รสของมะม่วงะเลยเลยคงจะถามว่ารสมะม่วงเหมือนรสมะนาวไหมเหมือนรสถนนไหมมันไม่ใช่ พู้ใดที่ได้ทานแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่านัน้แต่เมื่อได้ทานด้วยกันแล้วก็เหมือนรู้ได้เพราะนั้นเหมือนธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพรนั้นของขอศรัทธาญาติโยมทุกุกทันนะให้ทั้อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อได้ยกบาลีเบื้องต้นว่าสุขขาสังคัสสสามัคคี ความพร้อมเพียงของหมู่เกิดสุขนะถ้าว่าพวกเราที่เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีความสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่ในคณะอย่างถ้าจะว่าไปแล้วความพร้อมเพียงสามัคคีเหมือนกับอาคารหลังนี้แหละอาคารหลังนี้มีกับเบื้องมีแปร มีจันทร์มีคือ่อมีเสามีฝาผนังมีเพื่นอนอาคารหลังนี้ถ้าหากว่าหลังคาหลังคาก็เหมือนผู้ใหญ่ เ, เป็นผู้ใหญ่ปกครองแต่ล้มหลังคาบอกเออ่าในหลักเป็นใหญ่สูเจ้าอูเย็นเป็นสูงได้ก็เพราะข้าถ้าว่าแปรแข็งข้อขึ้นมาเออถ้าว่า ท่านใหญ่คนเดียวท่าออกซะถ้าถอดแปลออกหลังคาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอถ้าว่าถอดจันทันออกมาข้าวก็อยู่ไม่ได้อีกมันอาศัยซึ่งกันและกันการเป็นอยู่ด้วยกันต้องอาศัยกันเหมือนกับหลังคาหลังนี้แหละนี่ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ด้วยกันผู้น้อยผู้ใหญ่อาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสามกีเหมือนกับสาราหลังนี้น่ะ ผู้ใหญ่ก็มูหลังคาผู้น้อยก็เป็นแปรเป็นข้าวเป็นแต็มทันเป็นเสาเป็นเพลาฝนังอาคารหลังนี้จะอยู่ได้นานเท่านานฝนตกไม่รัว่วแดดออกก็ไม่เสียหายเพราะเหตุไรเพราะว่าอาคารหลังนี้สมบูรณ์มีความป้อมเพียงสมบูรณใครทำหน้าที่อันไหนก็ทำหน้าที่อันนั้นหลังคาทำหน้าที่มู่มู่คุ้มครองหมู่ก็ปกครอง ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ข้างล่างก็พยายามคำ้ำเอาไว้ต่างตัวต่างมีความหมายในอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้ก็สงบพร่มเย็นเป็นสุขนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันทัางฝ่ายอรันยวาสีขามาวาสีเน่ยปริยัตปฏิบัติ่ก็อยู่ด้วยกัน มีความจำเป็นมีความสําคัญด้วยการทางนั้นเออแล้วก็มีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความส ม, มัคทีมีคุณ ภ, ภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วความสงบร่มเย็นเป็นถูกก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเราเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมที่อยู่เบื้องหลัง เ, เป็นอยู่วงนอก ท้าว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้มีศีลพวกเราได้ทำบุญทำทานกับผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบพวกเราจะได้บุญได้กุศลจากการดูแลบารุงพระพุทธศาสนาเวลาเราเกิดพบหน้าชาติหน้านั่นละ่ะบุญกุศลนี้จะเกือ้อกูลหนุนพวกเราไปสู่ภพภูมิต่างๆอย่างที่ผมพ่อได้พูดได้กล่าวว่าตายแล้วไม่สูญหนะ้า ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุอะไหลวงพ่อจึงย้ําในเอ็มทีสาของหลวงพ่อทุกทุกแผ่นนะหลวงพ่อจะพูดในลักษณะตายแล้วไม่ศูญเพราะเหตุอะไรหลวงพ่อจึงย้าจุดนี้บ่อยเหลือเกินเพราะหลวงพ่อทราบนะมีศรัทธา ญ, ญาติโยมท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่เขามาหาหลวงพ่อเขาว่าท่านท่านมาหาแล้วท่านก็พูดธรรมดาธรรมดานี่แหละท่านก็บอกว่าท่านผมเนี่ เวลาทานอาหารไปทานอาหาร เ, าเลี้ยงโต๊ะจีนอย่างเนี้ยเลี้ยงโต๊ะกลมอย่างเนี้ยที่นั่งด้วยกันหลายหลายคน เ, เป็นเก้าคนสิบคนโดยมากจะมีแต่ด็อกเตอร์ต่างประเทศเกือบทั้งนั้นแต่ก่าอย่างน้อยก็ปริญญาโทโดยมากก็เป็นปริญญาเอกมาจากเมืองนอกพอมาแล้วผมก็ถามว่าคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดคือถามเป็นรายบุคคล คุณเชื่อไหมนะตายแล้วเกิดแต่โดยมากด็อกเตอร์เหล่านั้นปฏิเสธเกือบจะว่าเก้าสบเอร์ซตเอคนคนทั้งหมดท่วมีอยู่สิบคนอย่างนี้เออปฏิเสธถึงเจแปดคนแล้วงนั้นแต่แต่คนอีกคนสองคนไม่มั่นใจเออไม่มั่นใจเพราะบางทีก็เห็นเออเห็นมันแ ป, น ป, น ป, น ป, นปนลกแปลกเหมือนกับมีผีรักษณรอย่างนั้นแะ แต่คนที่น้อยมากที่วัดผมเชื่อร้อยเปอเซ็นตายตายแล้วไม่สูดตายแล้วเกิดอีกเพราะว่าผมรู้ได้ด้วยตนเองนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำแนวความคิดนี้มาบอกกล่าวแก่จัทราราดิโยมทุกท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูดนะตายแล้วเกิดอีกหลักที่สูดก็คือพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูดนั้น อย่าไปคิดเดาเอาเฉยๆถ้าทิ้คิดเดาเอาเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์แต่เราพวกเรานั่งสมาธิ น, นะครับพุทธเจ้าท่านไม่ได้สงวนฤกษ์ศิษย์ถ้าว่าใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะไปส่งจิตไปในอดีตอยจะไปส่งจิตไปในอนาคต ให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้เหมือน <Kap> them, เรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นน่ะคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้ามาในอาคารเข้ามาในศาลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปแต่ไม่ต้องตามคนเข้ามาและไม่ต้องตามคนออกไปให้ยืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาลมเข้ามาเวลาผ่านจมูกเข้ามา เราบริกรรมว่าพดเวลาลมออกไปเราบริกรรมว่าโทธอ<ม>แต่ว่าผมมันจับไม่ได้นะหลวงพ่อนะผมก็เคยภาวนาจะมันจับไม่ได้มันจับไม่อยู่จะทํำยังไงถ้าเป็นลักษณะนั้นให้หายใจงแรงๆนะหายใจแรงๆหายใจเฟืดแล้วก็ทั่งออกงแรงเฟืดเฟืดฟืดทักงสองสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนนะ ลมกระทบที่ปลายจมูกจากนั้นก็ค่อยผ่อนผ่อนผอน่ผอนลมนะผ่อนลมผ่อนลมผอ่ผ อ, นผ อ, นผอนแล้วก็ให้ปกติใ น, นเมื่อปกติแล้วเราก็เอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกแล้วท น, น, นเวลาหายใจเข้าลมกระทบมันก็เย็นช่วยพุธเวลาหายใจออกโทรเราจะรู้ได้ทนนั่นแหละนี่แหละพอเรากำหนดแต่บางทีมันก็ออกไปอยู่หน้าหลวงพอ่อมันยังเถอออกไปอยู่อา้าวห้นนับดูซิให้นับดูนะ หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจนับสี่จนถึงรอยไม่เหตุยเผลอเราทำได้ไหมคือเรานับแล้วเรานับมันเป็นยังไงคือเวลาหายใจเป็นเลขที่ใช่ไหมหนึ่งเลยหายใจออกเป็นคู่สองหายใจเข้าเป็นที่สามหายใจออกเป็นคู่สี่เป็นเลขคู่นะถ้าได้เรานับไปถึงห้าสิบหกสิบนะ ว่าเรานับเข้าไปหายใจเข้า62หายใจออก63าอนนั้นิดและเนีมันข้ามขั้นละเพราะหายใจเข้ามันเป็นเลขที่มันต้อง63นะหายใจออกเป็นหกไม่จริงจะถูกนะเนีเพราะฉนั้นให้เราสังเกตแต่เวลามันจะมันมันจะเผลอมันจะเบอเบอรเบอเบอรซะก่อนเนี่ยมันจะถนะล่มไปเราจะรู้ได้เออเราเผลอไปละ ต, ต, ตั้งตั้งตั้งก้นไม้เน่ยกำหนดไม้เอก นับหนึ่งไหมอีกเอาจนไม่เผล่นี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการทําจิตใจให้สงบแต่ถ้าว่ามันยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่มันยังออกไปอยู่ให้บริกรรมให้ใจของเราตัวรู้ๆอยู่เย็นเดี๋ยวนี้นะตัวนึกๆชิดๆอยู่เดี๋ยวนีนะ้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ถี่ยึบเลยะดีไม่ให้มันมีช่องว่างออกไปอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทําให้จิตจะทําจิตให้สงบ มันมีหลายวิทีที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็คือกรรมฐานสี่สิบนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีรานุสติจารานุสติเทวตาจนถึงอนาปานุสติอุปชมานุสติมีอนุสติสิบนะมีมากมายแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราในท่านแนะนําให้ภาวนาพุทธโธในะหยใจเข้าพุทให้ใจออกโธเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกสถาน ญ, ญาติโยมทุกทกท่านนะ เวลานั่งภาวนาอย่างที่หลวงพอ่อพูดจากนั้นพอเราเอาเข้มงวดปวดขันนะอย่างเข้มงวดถ้าจะว่าไปแบบบังคับร ว, วัาบังคับนะบังคับให้ไม่ให้จิตออกไปข้างนอกไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกบริกรรมให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธนะพอบังคับไปชั่วระยะหนึ่งพอจิตของเราเออมันสงบสิเออมันไม่ปุ่งฟูงออกไปข้างนอกจิตเขาอะไรไมนจิต สงบเข้าไปส่วนลึกเย็นว่าบนะเ อ, อจิตเข้าไปเย็นในจิตใจเย็นผิดปกติเออจิตใจอย่างนี้เราไม่เคยพบเคยเจออันนี้แรลว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นคณิกะสมาธิเนะี่ยอันนี้ว่าคณิกะแล้วจิตช่วงสงบช่วคู่ช่วขณะดช่วงปรเิเวประเดาเอาเลอันนี้ว่าคณิกะสมาธิต่อไปจิตเข้าสงบเข้าไปอีกออนิ่งเข้าไปอีกคือ สติเป็นอันไหนเรารู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่ออะไรเราอยู่ณที่ใดแปลว่าสติกับจิตนี่คุมกันอยู่ว่างั้นจะจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สั่นไม่ออกไปนอกลูก่นอกทางเมื่อสติจับอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นเ อ, อรู้ว่าเราคิดเรื่ออะไร อ, อมันอยู่ในสติควบคุมจิตอยู่อันนี้จะบอกจิตววอยู่ก็ใช่แล้วบอกว่าจิตสงบก็ใช่สงบเป็นอุปจฌารสมาธิ อุปจาระมันยังไปมันยังเคลื่อนไหวมันยังรู้ได้อยู่นะ ม, มันยังไม่นิ่งแต่เมืก็อยู่ในกรอบเออมันไม่ทะเลถลายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาไมา่อยู่พอนั่งภาวนานู่นไปอังกฤษอเมริการอบโลกที่ไหนก็ไม่รู้กระทั่งมันจะนอนพอแรงก็ยังค่อยโอ้เราเผลอไปที่ไหนมันไปพอแรงแนะ่อันนี้แปลว่าจิตไม่มีสติแต่เมื่อมีสติอยู่เรานึกคิดเรื่องอะไร เรารู้ได้ในขณะที่เรานั่งอันนี้เราอุปจารสมาธิถ้าเราพยายามทำออกำหนดให้ดิ่งลงไปอีกแล้วกำหนดให้อยู่นิ่งลงปีปเมื่อมันสงบเข้าไปเลยเป็นอัปปนาสมาธินจิตเป็นอันไหนสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันไหนจิตเป็นอันนั้นเราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ในชถ า, านที่ใดเราไม่รับรู้รับทราบทั้งหมด เสียงรถเสียงราเสียงฟ้าร้องเสียงหลังไม่ได้ยินทั้งหมดคือไม่รับรู้ทางกายเลยมีแต่สติกับจิตเป็ น, อ, น, ป น, อ, นอันเดียวกันนั่งอยู่อย่างนั้นนี่แหละจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยจะพิจารณาอะไรไม่ได้มันจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าโอ้โฮเมื่อกี้ในจิตของเราสงบออแหมตื่นละเกินมีความสุขละเกิน ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอู้จุดนี้เองเออมันมีความสุขจริงๆ จ, จากนั้นเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าเออที่พระพุทธเจ้าที่พระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สู่ในจุดนี้เองเห็นได้ชัดตระเกิดเมื่อจิตสงบเข้าไปจิตสงบเข้าไปอย่างนี้แล้วเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตเป็นอันหนึ่ง จิตคือนามธรรมเป็นอันหนึ่งร่างกายเป็นอันหนึ่งแต่จิตกับนามธรรมกับรูปธรรมอาศัยกันอยู่คือใจกับร่างกายในอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้น่ะคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันคนขับรถคือนามธรรมตัวรถเนี่ยคือรูปธรรมแต่ว่ารถจะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอร์โซเฟอร์ขับแต่ถ้าว่าไม่มีโซเฟอร์ขับรถคณะก็ไปไม่ได้ แต่รถโซเฟอร์จะมีฝีมือขับขนาดไหนแต่รถคันนั้นมันตายหมดน้ำมันหมดน้ำลูกสูบมันติดอย่างนี้นโซเฟอร์จะดีขนาดนั้นมันก็ขับไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะร่างกายรถมันติดอันนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายของเราถ้าเราภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราไม่ต้องถามใครเราพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตรเพราะฉะนั้นหลักที่สูตรในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แนะนําให้แก่สัตยทายทาโยมหรือว่าขอครูบาอาจารย์ครูที่ยังไม่เคยแ้่ก็ผู้เคยแล้วก็เคยทําจิตให้สงบได้แล้วหลวงพ่อว่าเป็นลักษณะอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอืง่นแต่ถ้าว่าผู้ใดยังยังไม่สงบก็ทดลองดูพยายามให้สงบ แต่บางคนก็บอกว่าถ้าจิตสงบแล้วเดี๋ยวจะติดในสมาธิอั น, นั้นอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดเหมือนกับคนคนไม่เคยมีเงินอย่างนั้นอนะ่ะคนไม่เคยมีเงินโอ้ถ้ามีเงินขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรแล้วไปติดในเงินแล้วจะไปที่ไหนได้แต่ตาไมไอ้หญิงให้มันมีมาก่อนถ้ามีมาแล้วลนะ่ะถ้าเรามีปัญญาเช่นอย่างอ่าเรามีปัญญาเช่นอย่างเราไม่ติดมันหรอกพอเงินเป็นของใช้ ของใช้ชั่วงค้างชั่วงเกาแต่ขนาดกระดูกตัวเองแต่แท้ก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปติดกับเงินอย่างนั้นได้เหร อ, เ, อเพราะนั้นเรามีปัญญาเช่อย่างอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแล้วะจะไปติดสมาธินะสมาธิเนะี่ยเป็นของเนิ่นช้าถ้าติดสมาธิเราเหมือนกับเราทานอาหารแล้วก็นอนนอนหลับอย่างนั้นะคนที่นอนจะไม่มีผลงานคนนอนจะไม่มีผลงานเพราะอะไรเพราะนอน แต่ถ้าว่าคนไม่นอนนะจ๊ะคนไม่นอนไม่ทานอาหารไม่นอนมีแต่ทํางานทั้งกีทั้งวันนั้นเป็นยังไงเออมันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับวิปัสสนาเป็นของคู่กันเวลาจะทําจิตให้สงบก็พยายามทําให้สงบให้จิตพักผ่อนเมื่อจิตสงบแล้วนามาพิจารณาไตรตรองและเหตุรับผลเอออันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาอรูปะพิจารณาร่างกาย พิจารณาถึงเก้าผมโลมาขนนักขาเรียทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอเ็นกระดูกเจื่อนในกระดูกม้ามห้อยใจตับผังปืดเอออาการสามสิบสองใน ร, งร่างกายรนะ่างกายเน่ามันไม่ใช่ของเราเนะ่อใจเนะ่าอีกสักวันหนึ่งร่างกายนะี่จะต้องแก่จะต้องตายเนะ่อใจเนะ่าใจอย่าไปลุ่มหลงกับร่างกายเนะ่าขนาดร่างกายตัวเองจะไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปลุ่มหลงกับร่างกายของคนอื่นเนะ่า อย่าไปลุ่มหลงกับทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เลือกสวนไร่นาเงินคำทรัพย์สมบัติบริษัทบริวารที่ไหนอย่าไปลุ่มหลงนะใจนะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องเอาร่างกายของเรานะไปเผาไปทิ้งนะใจนะอย่าไปหลงนะอันนี้คือพยายามสอนใจตัวเองจริงไหม ไม่เป็นอย่างอื่นจริงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งขนาดร่างกายของเราเอามาจากท้องพ่อท้องแม่เอามาจากท้องแม่แท้ๆเขาก็ยังจะเอาไฟเผาทิ้งเพราะนั้นสิ่งภายนออกทั้งหลายทั้งปวงเราเกิดมาในโลกเอาใช่ไป เ, เวลาโกรธให้ใครเกิดเจ็บไปโกรธมากอย่าเวลาโลภอยากจะไปโลภมากเกินไปอย่ากจะหลงเวลาหลงใครก็ากจะไปหลงจนเกินไป เ, เวลาเกลียดโกรธให้แก่ใครก็เกลียด โกรธให้เขาจนเกินไปมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเรานั่นแหละสําคัญเพรอตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมไว้นี้ดีแล้วนี้จะเป็นเครื่องเกรือกุลหนุนดวงวิญญาณใจดวงนั้นไปสู่คติภูมิที่สูงสูงขึ้นไป ใจของเราเนี่ยแหะเป็นคลังของบุญใจของเราเน่ยเป็นคลังของบาปถ้าเราทําบาปอกุศลเราก็เป็นผู้ไรับถ้าเราทําบุญกุศลบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราสรัาญาติโยมทุกๆทานน่านนะสั่งสมบุญกุศลไว้อย่าประมาทชีวิตของพวกเราไม่เพียงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งครังหน้าไม่รู้จะวันไหนละ่ะจะต้องล้มหายตายจากโลกนี้แต่ว่าพวกเราได้เตรียม บุญกุศลเวลาไปที่ไหนก็ไปด้วยความมั่นใจไปด้วยความไม่พิจกกังวล เ, เมื่ออยู่ในภพนี้ชาตินี้ก็ไม่ว้าเหวไม่อ้างวา้างไม่เมียกเหงาไม่เศร้าสึมเพราะเราจิตใจของเรามีหลักนะถ้าจิตใจของเราไม่มีหลักแล้วเราไม่เคยภาวนาแล้วเมื่อเท่าแก่ชราไปแล้ท่นพิจบทกังวลคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วท่านพิจิตไป เลื่อยเปื่อยไปหมดอาจจะนี่ยวิตกกัขขงวลผลนนี้นถูกะเศร้าสึิ้นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจะเศร้าสิ้นกคิดถึงลูกคิดถึงหลานเพราะฉนั้นพวกเราให้รู้ไว้แต่เนินเน่นๆว่าเราจะไปคิดถึงทําไมเราจะต้องภาวนาจะทําจิตให้สงบลูกหลานเกิดมาทีหลังเขาก็เกิดมาตามกลัมของเขาเราเมื่อเกิดมาก่อนเราก็เมื่อมาเกิดเพราะกรัมของเราเราของเรานําเรามาเกิด เราก็ต่างคนก็ต่างมาและก็ต่างคนก็ต่างไปไปด้วยบุญไปด้วยบุญไปด้วยกุศลไปด้วยบาปของใครของเราเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าการสั่งสมบาปนำทุกมาให้การสั่งสมบุญนำสุขมาให้เพราะนั้นข้าพเจ้าได้พบหลักพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะทำแต่คุณงามความดีเท่านั้นในใจของเรานะต้องมุ่งหวังอย่างนั้นอยู่ด้านอยู่ราชฐานที่ใด มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าทําอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าว่าพวกเราเจิตใจไม่มีหลักก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดจิตใจจะว้าเหวอั้งว่างเงียบเหงาเศร้าชื้มออพอพอะไรกคิดออกนอกลูก่นอกทางคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่ละวันนะจิตใจไม่มีหลักเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหาหลักตั้งแต่บัดนี้จิตใจมีหลักแล้วพวกเราจะสงบรลมเย็นเป็นสุขนะวันนี้หลวงพ่อเองได้ ให้แนวความคิดลากลายตลอดถึงพระสงฆ์หมู่พกเพื่อนครูบาอาจารย์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติโยมและก็หลวงพ่อได้มาเห็นมาี น, นี่แล้วก็คือความพร้อมเพียงสามัคคีอย่างที่หลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าสุ ข, ขาสังฆศาสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะเกิดสุขอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนศาลาหลังนี้ ข่าว่ามันพร้อมเพียงสัมภคีกันอยู่เอ่อหลังคาก็ดีเอ่อไม้ทุกตัวก็ดีหลังคาหลังนี้ก็จะอยู่ไปนานเท่านานความสุบผาสุบก็จะเกิดขึ้นในศาลาหลังนี้พวกเราได้มาอาศัยก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าศาลาหลังนี้แตกสัมภคีกันเมื่อไหร่ถ้าหลังคารั่วเมื่อไหรเอ่อไม้ข้าวไม้แปพรยกระจายเมื่อไรแม่แปลว่าหลังคา หายชาลาล่นี้ก็บันไรลออหาความสงบผาสุขไม่ได้เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อในออให้แนวความคิดเก่สถานญาติโยมครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตน์ไรประพุติยาพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเรามีความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด